ก็เบียบเบียนพระธรรมวาทีนั้นอีกก็บอกว่าในการก่อนท่านพูดว่าพระวินัยธรนจะทั้งหลายจักรรูปบัดนี้ท่านบอกเรื่องนั้นแก่พระวินัยทรเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านแพ้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันนี้ท่านอย่าอยู่ในอาวาสนี้อีกท่านเนี่ยแพ้ผมแ ล, ล้วท่านจงออกจากวัดนี้ไปเลยทายก็กว่าได้ที่พึ่งดีนะสารเนี่ยอยู่ฝักฝ่ายของตัวเองแล้วสารยกฟ้องอย่างนี้ก็หมดสิทธิทำอะไรสักอย่างเลยแล้วก็พระธรรมวาทีก็เลยหลีกไป จากนั้นพระธรรมวาทีก็เลยเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายก็คือเข้าไปหาพระเถระสององค์นั่นแหละไปถึงก็กราบเรียนท่านว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่คำหนึ่งถึงพระศาสนาคำหนึ่งถึงแต่บุคคลว่าท่านจักบำรุงพวกเราท่านอาจารย์เนี่ยคิดถึงแต่คนคนนั้นน่ะว่าคนคนนั้นจะมาคอยบำรุงท่านท่านทั้งหลายไม่ควรพิจารณาวินิจฉัย ที่จริงท่านเนี่ยคล้ายๆท่านเป็นหน้าที่ศารเนี่ยท่านอย่าทําตําแหน่งหน้าที่อันนี้ต่อไปอีกเลยท่านอย่าตั้งอยู่ในฝักฝ่ายแห่งวินิจฉัยเลยท่านลาออกจากตําแหน่งอันนี้เถอะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะดับขันปรินิพานแล้วในวันนี้อาจารย์ครับาศาสนาเสื่อมแล้วเพราะอาจารย์แท้ๆเลยแบบงั้นดังนี้แล้วก็ร้องให้โดยเสียงอันดังพระธรรมวาทีพระที่ตั้งอยู่ในธรรมท่านก็เสียใจ รักศาสนาสงสารศาสนาว่าแม้แต่พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแนว่วท่านก็เสียใจท่านก็ร้องให้ขํามควรอยู่ว่าพระศาสนาของพระศาสดา พ, พินาษแล้วร้องให้โอ้ยศาสนาหมดแล้วจบกันขนาดพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ยังกินสวยเห็นแก่ลาบสาการะเห็นแก่ปัจจัยสี่ที่เขามาบํารุง มาอุปถากอุปธรรมอย่างนี้ก็ร้องให้เสียใจหมดาศาสนาอย่างไงก็หมดหมดก็ร้องให้หลีกไปครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นก็สลดจิตอาจารย์สององค์เนี่ยพอพระธรรมวาทีองค์นั้นไปแล้วก็เกิดความสลดใจเกิดความรังเกียจว่าพวกเรารักษาบุคคลเราเนี่ยรักษาคนชั่วเอาไว้แล้วโยนรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนาคือาศาสนาเนี่ยลงในหิว รักษาคนชั่วทำลายศาสนาเธอเหล่านั้นถึงแล้วซึ่งความประกอบด้วยความรังเกียจนั้นนั่นแหละพระเทรรสององค์นี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วไม่วินิจฉัยเรื่องที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินเรื่องที่ควรตัดสินก็เลยรังเกียจเดือดร้อนใจหลังจากนั้นไม่นานพระเทระทั้งสององค์ก็ทำกาลังคาตะวาการตุติตายเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดในสวรรค์ พระเทระที่เป็นพระวินัยทรเนี่ยทั้งๆที่ทร ง, งพระไตรปิฎกแสดงคำมามากมายลูกศิษย์ลูกหาเยอะตายแล้วไม่ไปสวรรค์เลยอาจารย์คนหนึ่งองค์ที่หนึ่งนะที่เป็นพระวินัยทอนเนี่ยเกิดในเหมวตะบรรพศในหิมวันตประเทศไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวตะโอ้แทนที่จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปพมโลกไปอะไรเนี่ยมาเดือดร้อนเพราะกินสวยเข้าหน่อยนึงอะ่ะก็เลยทําให้เสีย ใ, ใจมากตายแล้วก็ไปเกิดใน ภูเขาแต่เกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวะตะอาจารย์คนที่สองก็เกิดในสาตะบรรทศในมัชิวะประเทศเป็นยักษ์ชื่อว่าสาตาคิระทั้งคู่เนี่ยเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่เลยฝ่ายพิสุเหล่านั้นผู้เป็นบริวารของอาจารย์ทั้งสองนั้นก็ปฏิบัติตามอาจารย์เหล่านั้นนะอาจารย์นี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมลูกศิษย์ก็กระเดียดไปไปตามอาจารย์เลยอะ่ะค่ะกับหุหนะ้าเราเป็นยังไงเราก็ตามท่านไป ก็ลูกศิษย์ทั้งฝ่ายละห้ารอยก็ไม่สามารถจะเกิดในสวรรค์ก็ไปเกิดเป็นยักษ์เหมือนกันเป็นยักษ์บริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นส่วนครือขัดผู้ถวายปัจจัยโยมผู้ใส่บาตรให้ทานรักษาศีลตายแล้วเกิดในเทวโลกไปเกิดในสวรรค์เรียบเลยนะโยมเกิดในสวรรค์พระไปเกิดเป็นยักษ์โอ้โทางกันมากไม่แน่นะเห็นเ่ามาพูดเป็นธรรมะอย่างนี้ถ้าไปอาจจะต่ำกัาโยมก็ได้ให้ทานฟังทำ รักษาศีลห้าสีลแปดเนี่ยโอ้โหไปเทวโลกไปเป็นเทวดาเฉยเลยพระอุสาแสดงธรรมหน้าดูเลยนะตายเกิดเป็นยักษ์เฉยเลยเพราะบางครั้งไม่ตั้งอยู่ในในธรรมพอไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็มีโทษทีนี้ต่อไปว่าเฮมะวัตะยักษ์และสาตาคิรยักษ์คือในยักษ์ทั้งสองเนี่ยผู้เป็นหัวหน้าที่มีบริวารคนละห้าร้อยเนี่ยเป็นเจ้ายักษ์ที่มีอนุภาพมากเพราะว่าสมัยที่บวช สมัยที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นะ่ะปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในธรรมแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากเป็นยักษ์ภายในยักษ์เสนาบดี28ตนเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณและก็เป็นยักษ์ที่ภายในอํามาตยักษ์ก็ธรรมดาของเสนาบดีทั้งหลายคือเทวดาทั้งหลายเนี่ยประชุมกันในพคละวณิมณด บ, บนพื้นมโนศิลาในหิ ม, มวันตประเทศ คือเป็นสถานที่ที่ยักษ์ไปประชุมกันเพื่อจะวินิจฉัยธรรมะเดือนละแปดวันเสนาบดียักษ์ทั้งหลายจึงประชุมกันที่มนดบนั้นในขณะนั้นสาตาคิระยักษ์และเฮมวัตตยักษ์ก็พบกันในสมาคมนั้นก็เลยจําได้ระหว่างยักษ์เพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยไปเจอกันข้าวอ้าวคุณก็มาเกิดเป็นยักษ์เลยใช่ผมก็ยักษ์เออท่านก็ยักษ์เหมือนกันแล้วเออเกิดเป็นยักษ์นึกว่าจะไปสวรรค์ไปอะไรสูงๆกับเขาบ้าง ก็ไม่ได้ไปมาเกิดเป็นยักษ์กันทั้งคู่เลยนะแต่ข้าก็คนทาชั่วมากๆนะไปเจอกันที่นรกอ้าวคุณก็มาเลยเออผมก็มาคุณก็มางั้นเออต่างคนต่างมากนะไปเจอกันนะ่ะนะพวกนี้ก็ตายก็ไปเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่ก็เจอกันก็จําจกันได้แล้วก็เลยถามถึงสถานที่เกิดของตนว่าเพื่อนท่านไปเกิดที่ไหนท่านเกิดที่ไหนมาถามกันดูนะพอถามกันเข้าก็เดือดร้อนใจขึ้นว่าโอ้ยเพื่อนเอ้ยพวกเราเนี่ยชีพหายแล้ว ในการก่อนพวกเราทําสมมณะธรรมตั้งสิ้นสองหมื่นปีอุสาปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนอู้เอาจริงเอาจังตั้งสองหมื่นปีอาศัายเพื่อนชั่วอยู่คนเดียวก็เลยมาเกิดเป็นยักษ์กันทายกผู้ถวายปัจจัยของพวกเราเกิดในกา마วาจรเทวโลกเฉยเลยโยมก็มาทําบุญให้ทานเขาเกิดเป็นเทวดากันหมดเราเกิดเป็นยักษ์กันครั้งนั้นสาตาคิระยักษ์ก็เลยกล่าวกับเฮมวัตยักษ์นั้นว่า แน่ท่านผู้นิรุตุขธรรมดาหิมวันสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรก็บอกแก่เราบ้างเออท่านอยู่ทางโน้นเนี่ยมีข่าวค่าวอะไรก็เล่าให้กันฟังบ้างนะฝ่ า, ะายเหมวัตยะก็บอกว่านี่ท่านผู้นิรทุขธรรมดามัชชิมประเทศสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรๆๆพึงบอกแก่เราด้วย ทำกติกาว่ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าบอกกันฟังบ้างเน้อเมื่อสหายทั้งสองทำกติกาแก่กันและกันก็ไม่ละอุบัตินั่นเทียวเกิดเป็นยักษ์อยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งก็สิ้นไปมหาปัตพีก็หนาขึ้นหนึ่งโยศสามขาวุฒโอ้แผ่นดินเนี่ยสูงเกือบยี่สิบกิโลเมตรอ่ะแผ่นดินเนี่ยสูงเกือบยี่สกิโลเมตรนะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยถามว่ามันห่างกันขนาดไหนห่างกันมากนะ โอ้ oh, แผ่นดินนี่จริงมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแผ่นดินหนาตั้งยี่สิบกิโลเมตรอะจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วกับพระพุทธเจ้าองค์นี้ทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปเปลี่ยนฉากนะเปลี่ยนอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าของเราบ้างพระโพธิสัตว์ของพวกเรานี่มีปณิธานความปรารถนาอันตนกระทำแลว้วเทพบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรสมัยเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วมา พระโพธิสัตว์ของเราก็ตั้งความปรารถนาใต้บาศของพระผู้มีพระภาคว่าขอให้ข้าพระองค์เนี่ยได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ในอนาค ต, ตการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายว่าโอ้ยบุรุษคนนี้เนี่ยเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลอีกสีอสงไขยเศษอีกแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่เมื่อสีอสงไขยแสนกับก่อนบําเพ็ญบารมีทั้งหลายจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดร ก็บำเพ็ญบุญบารมีให้ทานทานอะบารมีสิบอยาอะไรบ้างทบทวนถ้าใครทวนได้นะแสดงว่าคนนั้นปรบพฤติบารมีบ่อยถ้าใครจําชื่อบารมียังไม่ได้แสดงว่ามันก็ห่างไปตามนั้นอ่ะหนึ่งทานทานะบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีแสดงว่าปฏิบัติบารมีกันมาต่อไปแล้วอีกวิริยะบารมีต่อไป ขันติบารมีต่อไปอีกสัจจะบารมีต่อไปอีกอะไรอธิษฐานบารมีต่อไปเมตตาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีโอสาธุสาธุสาสาสแสดงว่าประพฤติบารมีกันอยู่บารมีเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อบรรลุฝัง่งบรรลุถึงพระนิพานอนุโมทนาด้วยนะ นั้นพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดรเกิดชาติสุดท้ายก็เป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรก็ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจนตลอดอายุผู้อันเทวดาทั้งหลายเชื้อเชิญด้วยในที่กล่าวแล้วในธรรมบทนิทานนั่นแหละแล้วก็แลดูมหาวิโลกะนะ5อย่างบอกแกเทวดาทั้งหลาย เมื่อบุพนิมิตสามสิบสองเป็นไปอยู่ก็ถือปฏิสนธิในโลกนี้ถือกำเนิดเกิดในานางสริมห า, มายายังหมื่นโล ก, กาธาตุให้หวั่นไหวเจ้ายักษ์เหล่านั้นเจ้ายักษ์หัวหน้ายักษ์สองคนเนี่ยนะแม่เห็นโลกนณะเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้สองคนเนี่ยมัวแต่เพลินก็เลยไม่รู้ว่าเอเอโลกนณะเนี่ยเหตทุที่พระพุทธเจ้าท่านจุติปฏิสนธิก็ไม่รู้เลย เพราะมัวเมาอยู่แต่การเล่นอยู่งั้นยักมัวแต่เพลินเที่ยวกันใหญ่เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระปัญจวัคคีย์แล้วก็ทรงประกาศธร ร, รมจักรอันประเสริฐมีปริวัติสามมีอาการสิบสองให้เป็นประยู่ในคราวที่พระองค์ประกาศธรรมจักรคือพระองค์นี่ทรงแสดงธรรมจักรจาได้ไหมธรรมจักรว่าธรรมะคือส่วนสุดสองอย่างอันมันประชิดไม่ควรซ่องเสพคือ อัตกิลามัทานุโยคหนึ่งการมัศุขคันลิกานุโยคหนึ่งธรรมะที่ควรปฏิบัติก็คือมัชชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเป็นไปเพื่อให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาทุกควรทุกควรทําอะไรนี้ทุกทุกแล้วควรทำอะไรรู้ว่าทุกแล้วรู้ว่าทําไม เออนี้ทุกทุกคนทำอะไรก็าควรกําหนดรู้หรือเพื่อปริญญาสามาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปะหาณนะปริญญาเพื่อรอบรู้ในกองทุกขรู้ว่ายังไงรู้ว่ารู้ปังอ่ะนี้จังรูปไม่เที่ยงเป็นต้นนะนะเคยสวดเมื่อก่อนกันก่อ น, อนเห็นได้ยินสวดบ่แล้วก็สมุทยัยโอ้นี้เหตุแห่งทุกคนททำยังไง กุละด้วยตะทงังฆาปะหารด้วยวิขมพนะปะหารด้วยสมุเฉทะปะหารนิสรณะปะหารแล้วก็ปฏิปัสสัตธิปะหานะแล้วก็นิโรธควรทําให้แจ้งสัชกิริยาควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งนี้แจ้งแค่ไหนทําให้เป็นอารมณ์เหมือนกันให้เป็นอารัมมณะปัจจัยของจิตนั่นแหละอริยมรรคควรเจริญให้บริบูรณ์ถามว่าเจริญแค่ไหนแค่อรหัตตมรรคก็พอ เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นสายกลางเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจพระองค์ก็แสดงธรรมาจากใช่ไหมในสูตรนั้นบรรดาสหายทั้งสองนั้นสาตาคิรยักตนเดียวเท่านั้นได้เห็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยวันไว้เพราะบุพนิมิตและปาฏิหารและเหตุการณ์อุบัติครันรู้แล้วพร้อมด้วยกับบริษัทก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรร ม, มเทศนาแต่ก็ไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลย ก็ไปนั่งฟังกับเขาเหมือนกันนะ่ะฟังธรรมจักนะก็ฟังกับเขาถามว่าทําไมเขาจึงไม่ฟังแล้วไม่บรรลุอะไรเพราะเขาฟังธรรมอยู่ก็พลางระลึกถึงเหมมาวัตยักแลดูบริษัทว่าสหายของเราหรือไม่มาน้อมัวกังวลแต่เพื่อนน่ะนะแน่เหตุการณ์ดีขนาดนี้เพื่อนเราน่าจะมานะฟังไปคิดถึงเพื่อนไปก็เลยไม่ได้ส่งจิตตามกระแสธรรมก็เลยอดบรรลุธรรมเลย เมื่อเขาไม่เห็นก็มีจิตฟุ้งซ่านว่ะโอ้ยเพื่อนของเราไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปฏิพาณอันวิจิตอย่างนี้ก็จะโง่เขลากลัวเพื่อนนี่โง่โห่วงเพื่อนอย่างเลยอดเลยตัวเองก็เลยไม่ได้บรรลุเลยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วก็ยังไม่จบเทศนาขณะนั้นสาตาคิรยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจากพาสหายมาพร้อมกับสหายฟังธรรมเทศนาเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาฟังด้วยดีกว่า แล้วก็ได้เนรมิตรยานทั้งหลายมีม้าช้างและครุฑเป็นต้นอันยักษ้าร้อยแวดล้อมมุ่งหน้าไปสู่หิมมาวันตรประเทศเดี๋ยวก็เพลิดไปก็ได้เนาะเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้นาดยักษ์มีเด็กต้องเหาะไปเองต้องบินไปเองเลยเสียเวลาแย่เลยเนาะสู่มนุษย์ไม่ได้ครั้งนั้นฝ่ายเหมวันตยักษะเพราะเหตุบุพนิมิตสาสิบสองประการในการปฏิสนธิปรสูตรพิเนศกรมการตัดสรุและการป ร, รินิพานนั้นแหลหายไปไม่ตั้งอยู่นาน แต่การประกาศถ้าทำมจากเหตุการณ์เหล่านั้นมีพิเศษตั้งอยู่นานกว่าจึงจะดับไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นความปรากฏแห่งความอัศจรรย์ในหิ ม, มวันแต่ประเทศก็เลยเห็นว่าตั้งแต่เราเกิดมาภูเขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมอย่างนี้ในการไหนเลยเอาเถอะเราจะไปพาสหายของเรามาชมสิริแห่งดอกไม้เหล่านั้นอุ้ยพาเพื่อนมาชมสวนดีกว่าเพื่อนสวนช่วงนี้ทําไมมันงามพิเศษเหลือเกินอย่างนั้นคิดถึงเพื่อน จะชวนเพื่อนมาเที่ยวกันค้ากันหน้าหนาวดอกไม้เชียงใหม่บานเยอะก็คิดถึงเพื่อนชวนเพื่อนมาเที่ยวสวดชมดอกไม้เองดีกว่าก็เลยมุ่งหน้าไปต่อมัชชิมประเทศแม่ยักษ์ทั้งสองก็มาพบกันเหนือกรุงราชครึกมาอยู่บนฟ้านั่นแหละเหาะคุยกันบนฟ้าแล้วก็ถามเหตุการณ์ของกันอะกันเอาไปไงเพื่อนไปไงมาไงเนี่ยเพื่อนมาไงผมจะไปชวนท่านพอดีเลยต่างคนต่างรายงานเข้า เหมาปตัยักษ์ก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาผู้เขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมด้วยต้นไม้ทั้งหลายที่สะพรั่งด้วยดอกในฤดูมิใช่การอย่างนี้เลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมาด้วยคิดว่าจากชมสิริแห่งดอกไม้พร้อมกับท่านจะมาชวนท่านมาดูดอกไม้ซะหน่อยสาตาคิรยักษ์ก็บอกว่าดูกนท่านผู้เนรทุก ก็ท่านรู้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ดอกไม้บานในฤดูการไม่ใช่หรือไม่รู้ท่านผู้นิรุขก์ก็บอกว่าด้วยกท่านผู้นิรุขุปาฏิหาริย์นี้ไม่ได้เกิดในหิมมาวันตแต่ประเทศเท่านั้นโดยที่แท้เกิดในหมื่นโลกธาตุพรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในโลกทรงประกาศ ธ, ธรรมจักรให้เป็นไปในวันนี้ด้วยเหตุนั้นปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้น วันนี้เป็นวันแสดงธรรมาจากกัตวัตนาสูตรเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมนันไอาปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยก็เกิดทั้งโลกนั่นแหละสาตาคิรยักษ์ก็กล่าวถึงการอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านะั้นะแก่เหมะวัตยักษ์อย่างนี้แล้วก็ประสงค์จะนําเฮมาวตยักษ์นั้นไปสู่สํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไปชวนกันเล่าเรื่องเท้าความตอนหลังให้ฟังใช่ไหมว่า เรื่องราวของเหมมวตสูตรเนี่ยเป็นมาอย่างไรสาตาคิริยักษ์ก็เลยชวนกับเหมมตยักษ์ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่สิบห้าค่แห่งราตรีอันเป็นที่ปรากฏแล้วมาเราทั้งสองจงไปเฝ้าพระโคโดมผู้เป็นศาสดามีพระนามอันไม่สามเธอมาเถอะเราชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมดีกว่า พระองค์เนี่ยมีชื่อเสียงไม่เสียถามว่าชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐชื่อพระองค์เนี่ยดียังไงเรามาคิดกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อมีพระนามไม่สามไม่สามด้วยอะไรไม่สามว่าพระองค์นั้นอารหังใช่ไหมพระองค์เนี่ยพิเศษว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระอระหันนะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะเป็นผู้ปราศจาก โมหะผู้ปราศจากมานะอิจชาริษยาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้มีวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีชื่อไม่สามพระองค์นั้นเป็นพักวาเป็นผู้จําแนกแจกแจงพระธรรมไปเถอะเพื่อนเอ๋ยเราไปหาพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเห็นแลวแต่ยักก็ถามว่าสมมติว่ามีใครไปชวนไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะ ช, ชวนไปพบคนนู้นคนนี้ก็ต้องสักกันหน่อยว่า ก็เลยถามข่าวข่าวว่าพระโคโดมนี้ผู้คงที่ทรงตั้งพระไทยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงแลหรือเป็นยังไงพระโคโดมอ่ะที่ท่านจะชวนข้าพเจ้าไปเนี่ยใจของท่านเป็นยังไงใจของท่านมั่นคงดีไหมพระโคโดมนี้ทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิถารมให้อยู่ในอำนาจหรือพระสมณโคโดมของท่านเนี่ยถ้าเจอของดีเป็นยังไงถ้าเจอของไม่ดีสภาพจิตเป็นยังไง เจออารมณ์ที่น่าปราถนาและจิตเป็นยังไงจิตใจมั่นคงไหมเขาก็ถามถึงสุขภาพจิตมั้คุณภาพจิตของที่จะชวนไปเนี่ยมีความมั่นคงแน่นอนขนาดไหนสาตาคิริยักษ์ก็บอกว่าก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่พระพุทธเจ้านั้นอ่ะเป็นผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์นั้นทรงกระทําความดําริในอิทธารมณ์และ อ น, นิธารมให้อยู่ในอำนาจแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มั่นคงในอิทธารมอิทธารมนี้แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอ น, นิถารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อไปเจออารมณ์ทั้งสองอย่าง ท, งทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจิตใจของพระองค์ก็ยังมั่นคงเต็มที่อยู่อย่างนั้นฟังข้อความในนิเทศที่พระาริบุตรท่านกล่าวไว้ว่า ที่ชื่อว่าพระอาหารหันต์นี้เป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรมั่นคงยังไงหรือตอบว่าพระอาหารหันต์เนี่ยผู้มั่นคงแม้ในลาบแม้ในความเสื่อมลาบคือหมายความว่าถ้าหากว่าใจของพระอาหารหันต์นะถ้าหากว่ามีคนมาตัดแขนกับคนมาต่อแขนให้ใจของท่านก็ยังเท่ากัน สมมติว่าคนหนึ่งมาทําร้ายท่านคนหนึ่งมารักษาท่านระหว่างสองคนในใจของท่านมั่นคงเท่ากันไม่ได้มันไว้อะไรเลยแม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศแม้ในสารเสริญแม่ในนินทาแม้ในสุขและทุกข์ผ่ารหัสนั้นจิตใจของท่านที่ใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดประการทั้งได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญได้รับความทุกข์ความสุขอย่างไร ใจของท่านก็ไม่แปรไปไม่เปลี่ยนไปอุปมาเหมือนว่าหากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไร้แขนข้างหนึ่งแห่งพระอรหันด้วยเครื่องหอมพึงถากแขนอีกข้างหนึ่งด้วยมีดพระอรหันย่อมไม่มีความยินดีในการรูปไร้ด้วยเครื่องหอมนู้นไม่มีความยินร้ายในการถากด้วยมีดนู้นโอ้มั่นคงขนาดนั้นนะไม่เอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเป็นผู้ละการยินดียินร้ายเสียแลว้ว เป็นผู้เลยการดีใจและเสียใจเสียแล้วไม่ดีใจแบบโลภะไม่เสียใจแบบโทสะเป็นผู้ก้าวล่วงความยินดีความยินร้ายเสียแล้วพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าหากว่าคนอีกคนหนึ่งมาประทุสราอีกคนหนึ่งมายกย่องท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไร พาดอาหารนี้ชื่อว่าคงที่เพราะอัดว่าสละแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบอกว่าพระอาหารนั้นเป็นผู้สละปล่อยสละคืนเสียแล้วซึ่งความกําหนักพระอรหารเนี่ยเห็นอารมณ์ใดๆก็ตามไม่ติดในอารมณ์นั้นแม้แต่นิดเดียวส่วนปุตตุชนนั้นเป็นผู้ที่ช้ำแฉะเหมือนแปะกาวนั่นแหละไปเจออะไรก็ติดหนับอยู่นั่นแนะเห็นอารมณ์อะไรก็เพลินประทับอยู่ในนั้นแหละนะเก็บไว้ในความทรงจําทุกอารมณ์เลย แต่ของท่านเนี่ยเห็นก็เห็นรู้ก็รู้แต่แต่ไม่ไม่กำหนัดไม่ยึดติดเขาบอกว่าฝนตกขนาดไหนก็ตามฝนเหล่านั้นน่าจะเปื่อนใบบัวเนาะเปื่อนไหมไม่แปะไม่เปื้อนอะไรแม่แต่นิดเดียวเลยไม่ติดในใบบัวแม่แต่หน่อยเดียวใจของท่านก็เหมือนกันไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสละคืนความขัดเคือง ละความขัดเคืองความหงุดหงิดเห็นอารมณ์อะไรท่านก็ไม่เลยรู้สึกรําคาญนอารมณ์นี้ไม่มีแล้วท่านละโมหะคือละอวิชชาได้หมดแล้วละความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอความริษยาความตะนีอิจฉาริษยาตาร้อนอย่างนี้ไม่มีในใจท่านเลยความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาท กิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงเนี่ยพระาหันชื่อว่าคงที่ด้วยการสละแล้วอย่างนี้สละความชั่วที่มีในจิตในใจของท่านออกทุกชนิดแล้วพระาหันชื่อว่าทรงข้ามแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้คงที่คงที่เพราะพระ อ, องค์เนี่ยข้ามแล้วถามว่าพระาหันเนี่ยข้ามแล้วข้ามอะไรก็บอกว่าพระาหันเนี่ข้ามแล้ ว, ว, าานน ข, ลวข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงด้วยดีเป็นไปล่วงซึ่งกาโมคะ ห่วงน้ําคือคือโลภะที่ทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏะสงสารพระอรหารเนี่ยข้ามแล้วจากห่วงน้ําคือโลภะห่วงน้ําคือพโวคะห่วงน้ําคือทิฏฐิห่วงน้ําคื อ, ว, ว, ค อ, ว, ค อ, อวิชาความโง่ความเคล้าความาววามืดบอดไม่รู้และท่านนี้ข้ามพ้นคลองแห่งสังสาระได้แล้วพ้นกระแสแห่งวะะัฏะไม่ต้องเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนจุติปฏิสนธิ ไม่ต้องอีกแล้วพระอาหารหันต์นั้นอยู่จบแล้วประพฤติจรณะแล้วพบใหม่ไม่ได้มีแก่พระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัตว่าท่านข้ามแล้วอย่างนี้และพระอาหารหันต์ชื่อว่าคงที่เพราะพ้นแล้วถามว่าพระอาหารหันต์เนี่ยพ้นจากอะไรบอกว่าพระอาหารหันต์นี่มีใจพ้นแล้วพ้นวิเศษจากความกำหนัดความขัดเคืองความหลงความกโกรธความผูกโกรธ ความลบลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทั้งหมดทุจริตทั้งหมดความกวนกวายใจทั้งหมดความเร่าร้อนทั้งหมดความเดือดร้อนทั้งหมดอกุศลาภิสังขารทั้งหมดพผ้าหั่นเนี่ยคงที่เพราะท่านพ้นแล้วจากความชั่วทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็พระ้าหั่นนั้น ผู้คงที said, a a th <group> has has ่เพราะแสดงซึ่งธรรมะนั้นนั้นท่านมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมด้วยพระหันคงที่เพราะแสดงว่าเป็นผู้มีศีลในเมื่อศีลมีอยู่เชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะเป็นผู้มีศรัทธาในเมื่อศรัทธามีอยู่ว่าเป็นผู้มีความเพียรในเมื่อความเพียรมีอยู่เป็นผู้มีสติในเมื่อสติมีอยู่เป็นผู้มีใจตั้งมั่นในเมื่อสมาธิมีอยู่เพราะ ท่านเป็นผู้มีปัญญาในเมื่อปัญญามีอยู่เป็นผู้มีวิชาสามเป็นผู้มีอภิญญาหกแล้วก็ผ้าอรหันนี้แสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเพราะคงที่เพราะฉะนั้นผ้าอรหันทั้งหลายจึงไม่มีความกำหนัดไม่ทำตันหาและทิฏฐิไว้เบื้องหน้าแม้ธรรมะคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันต่ชีนาศไม่ปรารถนาแล้ว พาหันนะี่จึงเป็นพรามอันใครๆพึงนำไปด้วยศีลพรดย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาแล้วก็พาหันทั้งหลายเป็นผู้คงที่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสาตาคิระยักษ์ก็เลยเล่าให้เหมมาวัาตายักษ์ฟังว่าพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นผู้คงที่อย่างนี้คงที่ด้วยถึงขนาดอีกคนหนึ่งเอาดอกไม้มาลูกอีกคนหนึ่งเอามีดมาถากอะ่ะ ท่านใจของท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วพระองค์นี้ทรงตั้ ง, งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงตั้งพระทัยไว้ในสัตว์ทั้งปวงตั้งไว้ายังไงตั้งว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงคมคู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไห น, ไหน้อยไม่พึงปรารถนาทูกให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นใจของท่านเนี่ย วางเหมือนกับพ่อแม่อยากให้ลูกทะเลาะกันไหมไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันไม่อยากให้ลูกหลานขัดแย้งกันฉันใดใจของพระผู้มีพระภาคก็วางไว้ในสัตว์ทั้งปวงอย่างนั้นแหละอยากให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วด้วยเนี่ยท่านไม่รู้สึกตรนีในพระธรรมไม่รู้สึกอิจฉาริษยาตาร้อนเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ดิบได้ดี ก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะจะไม่ตณีไม่ริษยาไม่อิจฉาทั้งนั้นนะพระโสดาบันไม่ริษยาพระโสดาบันไม่อิจฉาและไม่ตณีด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งพระพุทธเจ้าด้วยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าพระองค์จะมีอิจฉาริษยาไม่มีเลยในสัตว์ทั้งหลายกลับเป็นผู้ที่มีใจหวังประโยชน์หวังความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันทุกทุ ก, ทกวันวันหนึ่งหลายครั้ง ที่พระ อ, องค์เนี่ยเจริญมหากรุณาสมาบัติยานเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาไปในสัตว์ทั้งหลายและพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกระทําความดําริในอิทธาร่์และอนิถารมณ์ให้อยู่ในอํานาจแล้วคือจิตใจของพระ อ, องค์นี่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเจอแดดร้อนเกินไปใจก็ไม่ไม่เปลี่ยนเจอเย็นเกินไปใจของพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่เปลี่ยน เจอธรรมดาก็ไม่เปลี่ยนว่าเป็นผู้มั่นคงคงที่เหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินไม่เอาที่ตุรกีนะตุรกีไม่มั่นคงเลยนะคนตายไปตั้งเยอ ะ, อ, ะอย่างนั้นไม่มั่นคงเอาแผ่นดินที่ที่มั่นคงอะ่ะที่ไม่วันไว้ไม่สัน้นไม่สะเทือนไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดใจของพระอาหารหันต์หรือใจของพระผู้มีประภาพก็คงที่ฉันนั้นเหมือนกันหรือว่าภูเขาสิในรุ ผู้เขาซิเนรุเนี่ยพ้นจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ย